ความเศร้าโศกโดยมากมาจากความเห็นแก่ตัวหรือเป็นเพียงมายาพวกเราชาวโลกทิพย์ไม่นิยมการแสดงความเศร้าโศกไม่ว่าจะในกรณีใดหรือเพียงใดอันที่จริงความเศร้าโศกที่เกิดจากน้ำสายใจจริงนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตใจมนุษย์ธรรมดาสามัญซึ่งทุกคนจะต้องมีบ้างไม่มากก็ น, น้อยแต่ในบางกรณี ก็มักมีการแสดงความเศร้าโศกเสียใจกันเกินกว่าเหตุคือการแสดงความเศร้าโศกที่แสดงออกมานั้นมีมากกว่าความรู้สึกจริงที่อยู่ภายในจิตใจในกรณีดังกล่าวนี้พวกเราผู้อยู่ในโลกทิพนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเศร้าโศกอะไรเหล่านั้นเป็นมายาเพื่อหลอกลวงคนอื่นหรือว่าออกมาจากน้ำใสใจจริงกล่าวโดวยทั่วไปแล้ว การแสดงความเศร้าโศกนั้นส่วนมากทีเดียวเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเราโดยมากเมื่อบุคคลเศร้าโศกถึงพวกที่ตายไปแล้วนั้นเขาไม่ได้เศร้าโศกเพราะสงสารตัวเองเช่นอาจจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเป็นต้นเสียมากกว่าอันที่จริงแล้วเขาเหล่านั้นควรจะมีความสบายใจและรู้สึกเป็นสุขไปด้วยกับวิญ ญ, ญาณที่จากไปแล้วผู้ซึ่งได้เข้าถึงโลกทิพย์ อันเป็นสถานที่ที่เขาจะได้มีชีวิตที่สมบูรยิ่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ก็หมายถึงวิญญาณที่ได้ไปสู่สุคติภูมิเท่านั้นส่วนวิญญาณที่ต้องไปสู่อบายภูมินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะยังไม่กล่าวถึงในที่นี้แต่แม้ว่าในบางครั้งความเศร้าโศกและอาลัยนั้น เกิดจากความผูกพันทางใจระหว่างกันและกันอย่างแท้จริงก็ตามบุคคลผู้อยู่ข้างหลังก็ควรจะพยายามหักห้ามใจไว้บ้างเท่าที่จะทำได้เพราะมิฉนั้นวิญญาณที่เพิ่งผ่านเข้ามาสู่โลกที่ใหม่ๆนี้จะรู้สึกถึงแรงดึงแห่งกระแสความคิดดังกล่าวอย่างรุนแรงทำให้เขาต้องพะวักพวนและลำบากใจโดยไม่จำเป็นดังนั้นอาจจะมีการคิดถึงผู้ที่จากไปแล้วบ้าง ก็ควรจะให้เป็นไปในด้านที่ดีกว่านั้นคือเป็นการส่งกระแสแห่งความเมตตากรุณาไปยังผู้ที่จากไปแล้วเพื่อวานจะได้เป็นผลดีแก่กันทั้งสองฝ่าย